รายได้เสริมสัปดาหละ 6,000 บาทขายไตร1ชุดปกติราคา 7,549 บาทชุดโปรโมชั่น 5,850 บาทต้นทุนขวดละ 1,462 บาทไตรก็ขายดีราคาขายปลีกขวดละ 1,800 บาทกําไรขวดละ337บาทขายไป4ขวดมีกําไร 1,348 บาท ถ้า1สัปดาห์ขายได้5ชุดคุณจะมีรายได้ 6,740 บาทหรือเดือนละ 26,960 บาท